เวลามันถูกกะปีมือถูกกะปี่อ่ะนะลิงนี่ไม่ชอบกะปีใช่ไหมแต่ลิงนี่เวลามือมันไปถูกกระปี่เนี่ยไม่ทำยังไงมันจะมือเนี่ยถูๆ ก, ก, กับหินหรือว่ากับคาคบกิ่งไม้ถูเสร็จก็จะมาดมดมเพื่ออะไรดมว่ามีกลิ่นกะปีอยู่หรือเปล่ปาถ้ายังมีกลิ่นอยู่มันก็จะถูอีกถูกอีกถูกไปเรื่อยๆ จนกระทางบางทีเนี่ยเป็นแผลทลอกเลือดออกมาซิบซิเลยแต่ที่ยังมีกลิ่นอยู่นะั้นมันก็ยังถูต่อไปเพราะมันเกลยดกระปิเลือดออกก็ยังถูต่อไปนะถามว่าไอ้ที่ไม่เลือดออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะกระปิหรือว่าความเกลยดกระปิกระปีไม่ทำให้เลือดออกนะแต่เพราะความเกลยดกะปิ เข้ากระดูกดำนี่แหละทําให้มันถูจนกรทั่งแผลนี่ลึกไปถึงกระดูกก็เป็นได้ไอความเกลียกับปีนี่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราแล้วเกลียกระปีแบบไม่รู้ตัวเลยนะยิ่งเกลียดยิ่งดมแปลกนะรู้ว่ามันเหม็นนะแต่ทําไมยังเอามาดมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมแปลกนะถามว่ามีแต่ลิงเท่านั้นที่ทํานี้หรือเปล่าคนก็เป็นนะ เราเกลีย ด, ดใครก็ตามเราโกรธใครก็ตามเนี่ยมันใจมันก็จะยิ่งจอยิ่งคิดยิ่งนึกถึงคนคนนั้นใช่ไหมเวลาใครมาทําให้เราโกรธใครมาทําให้เราเกลียดนี่นะเราจะคิดถึงคําพูดคิดถึงการกระทําคิดถึงหน้าตางคนคนนั้นแล้วยิ่งคิดก็ทุกนะแล้วยิ่งทุกก็ยิ่งร้อนยิ่งโกรธแต่ทําไมยิ่งคิด ยิ่งเกลียดใครรินมันก็น่าจะปล่อยวางใช่ไหมเหมือนกบลิงยิ่งเกลียดกะปิก็ไม่น่าจะเอากะปิมาดมอยู่เรื่อยๆแต่พอดมแล้วเป็นยังไงก็ยิ่งอยากจะถูถูถู ถ, ถ, ถูให้มันหายไปนี่แหละคือปัญหาของคนเราปัญหาของจิตใจเราจิตใจเราเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แกเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเกลียด เมื่อเกลียดสิ่งใดมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ปล่อยไม่วางก็เหมือนกับคนที่บีบก ร, รมเสษแก้วเสษกระจกเอาไว้ไม่บีบ ก, ก็ทำได้ไม่การรก็ทำได้หรือพลิกคือปล่อยให้มันตกลงมาเวลาเรากลัวใคเราเกลียดใครนี้เราเคยคิดที่จะปล่อยเหตุการณ์คำพูด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 ทุกวันนี้เราทำลายตัวเองมากนะแล้วยังจะมาบอกว่าเรารักตัวเองอยู่แต่เราสามารถที่จะรักตัวเราเองได้โดยเพราะถ้าเรามีสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวไอ้ที่เรากรรมเศษกระจกเศษแก้วแล้วก็บีบอยู่เสมอเสมอหรือหาอะไรมาเฉืนตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่เพราะว่าเราลืมตัวเหมือนกับลิงมันลืมตัว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 ชนขึ้นมาทีเลยว่าไอ้หนูนี่มันจะแข่งกับรออาชสนะีเรื่องยังไงนะเรา10บล้อนะไอ้เวสปานี่มาตีคู่แข่งกับเราก็ลำคาญก็เลยแกก็เลยเหยียบคันเร่งแซงสกูตเตอร์ไปเลยแต่สักพักสกูตเตอร์ก็ตีคู่มาใหม่แล้วก็บอกว่าแพ้แพร้รู้จักเวสปาไม่แพ้นะ ครานี้แกลำคาลแล้วลำคาลแล้วแข่งกับมันเสียเวลาเสียศักดิ์ศรีมึงจะแซงก็แซงไปเถอะไปก็ปล่อยให้เวสปานี่แซงไปแกก็ชะลอรถนั้แล้วก็เวสปาก็เลยแซงไปไม่นานนะก็ไปเห็นเวสปา่า น, นอนแอ่งแมงอยู่ริมถนนก็สะใจว่าเนี่ยนะสะสมแล้วนะลิอาจจะมา แข่งกับเราไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่เจียมบอดี้แต่ว่าเห็ น, นไหนๆก็เห็นว่าเขาลงเขาเกิดทุบัุบัติเห็นแล้วก็ทําตัวเป็นพลเมืองดีหน่อยก็ลงไปช่วยคนขับเวสปานี่พอเห็นคนขับ10ล้อจําได้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่ผมแค่ถามเนี่ยว่าพี่รู้จักเวสป้าหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเบลมอยู่ตรงไหน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 อย่างเวลานักศึกษานี่เฉื่อยขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยสติมันก็จะเตือนแล้วก็เล่งให้เราเนี่ยตื่นตัวให้เราสลัดความขี้เกียจความเซงออกไปสติเป็นตัวเล่งให้คนที่เฉื่อยนี่ยขยันมากขึ้นเพราะว่าที่เราเฉื่อยเพราะอะไรเพราะเราเราเป็นทาสของอารมณ์นะ มันก็ลังเราไปมันกิเลสมันจะหาเหตุผลนะว่ายังเช้าอยู่อย่าพึ่งไปเลยหรือว่าหลับจนเพลินมันก็บอกว่าสายแล้วอย่าไปเลยเนี่ยคือกิเลสมันหลอกเราแต่ถ้ามีสตินะมันจะรู้ทันว่านี่อุบายของกิเลสนะนี่เป็นอุบางกิเลสนะเราจะไม่ยอมเชื่อนะ เราจะกระตือรือล้นยันขันแข็งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่เราเวลานี้เนี่ยเรามาเจ็ดวันนี่เท่ากับว่าเราได้ปัดฝุ่นนะแล้วก็ขัดสนิมจนกระทั่งเบรคของเราเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นใช้งานได้ดีกว่าเก่าและคันเร่งของเราเนี่ยก็ดีขึ้นแล้ว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 ต่างๆมากมายถ้ า, ากว่าเราไม่ทําอะไรกับจิตใจของเราเลยเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากนะโอ่์น้ำนะซึ่งเติมน้ําไว้ครึ่งหรือคร่นละใจของเราเนี่ยต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับองค์น้ําซึ่งมันมีน้ําอยู่นิดเดียวคือใจที่มีสติอยู่นิดเดียว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 สตินี่มันง่า ย, น, ายนะคือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นอย่างนักศึกษาตอนนี้กายอยู่นี่เนี่ยนะใจนี่อย่าลอยไปไปนอกศาลาหรือไปที่บ้านหรือบุรีรัมหรอให้อยู่นี่ตรงนี้นะแล้วที่สำคัญนะคือให้มีสติสำคัญมากก็คือเวลาเจอของต่างๆเนี่ย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 แฟนเราจะหลอกแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามีคนใหม่มาเราก็อยากได้คนใหม่เคยเห็นไหมคนที่มีได้ขายมาคนที่มีรองเท้าเนี่ยประมาณ300คู่แต่ก็ยังซื้อไม่หยุดนะมีรองเท้า300คู่แต่ยังซื้อไม่หยุดอยากจะได้คู่ใหม่เพราะความสุขของคนเราส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การได้สิ่งใหม่ๆไอ้สิ่งที่มีนี่ไม่สําคัญมีมากแค่ไหนก็ตามไม่สําคัญตั้ากับว่าทําไมฉ่ฉันฉันจะได้อันใหม่มา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 เราทุกข์เพราะเราไม่มีอย่างที่เขามีและสองไอสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์ทุกสองต่อเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับหมาในะนิทานอีสป อ, อีกเรื่องหนึ่งหมาข้ามเนื้อได้ยินั้มหมาข้ามเนื้อหมามเป็นยังไงมันข้ามเนื้อได้ใช่ไหมมันดีใจมันก็จะไปกินที่ถิ่นของมัน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 แล้วมันจะช่วยทำให้เราได้หันมาพิจารณาว่าให้ความรู้สึกบางอย่างที่มันครอบงาใจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่คดท่าเส็จเลยแล้วไม่ควรค่าที่เราจะจะเป็นท่าของมันใจของเราเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเข้าที่เข้าถางมากขึ้นเราจะรักตัวเราเองมากขึ้นเราจะมีความสุขกับชีวิตกับจิตใจของเร า, เรา จ, ะจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่จะไม่คอยมองไปว่าคนอื่นเขามีอะไรบ้าง